คุณทวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสรนสนาสนทนาดาเนินรายการโดยสรันส น, นาคพงศ์มีพระมหาภัยบณ์อภิปุนโนเป็นผู้มาตอบคาถามให้กับพวกเราทุกท่านเนี่ยนะคะก็มาถึงโอกาสที่พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะได้เรียนรู้คําสอนของพระศาสดาได้รู้ว่าจริงๆบางอย่างก็เกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วเราดูเหมือนรู้อยู่แล้วแต่เราตอบไปในลักษณะของการเป็นธรรมไม่ได้ แล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเองก็น่าจะเป็นผู้ปฏิบัติได้และถ้าปฏิบัติแล้วประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะคะรายการนี้เราฝึกปฏิบัติให้ไปด้วยตั้งแต่ตอนต้นของรายการโดยท่านผู้อำนวยการหลักสูตรการเรีเนรน้ของวัดป่าดอนหายโซนั่นก็คือประหาไภัยบุญที่มาพบกับพวกเราทุกวันนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ไปกราบนมัสการท่านพร้อมทั้ง เตรียมตัวในการที่จะฝึกปฏิบัติกันต่ออีกวันหนึ่งในช่วงต้นของรายการนี้เลยค่ะรกร่าวณัสการ์ครัท่างคะยมพรเรามาเริ่มการปฏิบัติกันก่อนที่จะฟังธรรมโดยการให้ทุกท่านมาระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายช่างกลึงที่เขากําลังกลึงชิ้นงานนายช่างกลึงเนี่ย เขาจะประกอบชิ้นงานที่ต้องการกลึงไว้กับแท่นกลึงซึ่งถ้าเป็นแท่นกลึงในสมัยก่อนก็จะใช้ระบบคันชักแล้หมุนหมุนไปดึงเข้าดึงออกมันก็จะหมุนไปตามกลไกของเขาแต่เป็นสมัยปัจจุบันก็จะเป็นระบบมอเตอร์ในเวลาที่เขาปรับให้แท่นเนี่ยหมุนแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาใบมีดนํามาจอกับตัวชิ้นงานเพื่อที่จะขึ้นรูปให้ได้ตามที่ต้องการ เวลาที่ช่างกลึงเ้ากลึงชิ้นงานนี้ตาของเขาจะเอามาจดจ่ออยู่กับบริเวณจุดสัมผัสระหว่างที่ใบมีดมันกระทบกับตัวชิ้นงานอยู่ตลอดเวลาจะไม่ได้ไปดูที่มือที่ปรับกันชักให้ยาวหรือให้สั้นให้เร็วหรือให้ช้าเพราะว่าถ้าบอว่าไปดูที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นว่าเอสัมผัสมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแต่เขาต้องมาดูเพราะว่าถ้าสัมผัสมากเกินไปบางทีมันเกินกาลังของเครื่อง อาจจะทำให้มันมันช็อตได้มันมีปัญหาได้หรือว่ามันกินเนื้อมากเกินไปก็ขึ้นรูปไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ามันห่างเกินไปเจ้าตัวใบมีดไม่กินชิ้นงานเพียงพองานก็ไม่สำเร็จประโยชน์พร ะ, ระเจ้าอุปมาอุปไมยกับช่างกลึงเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเวลาที่เรามาดูลหมหายใจเนี่ยเรามาดูที่จุดสัมผัสจุดสัมผัสระหว่างลมที่มันมากระทบกับโพรงจมูกของเรา บริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมคำที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้คือคําว่าปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าออกมุขเนี่ยคือหน้ามุขแต่อย่างอาคารสถานที่บางอย่างจะมีหน้ามุขสร้างยื่นออกไปเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกในใบหน้าของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อที่ให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกนั่นก็คือจมูกที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจโดยปกติจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เราอยู่บริเวณนี้ บริเวณที่เป็นทางเข้าต่างออกคำว่าอยู่ในที่นี้ก็คือมาสังเกตบริเวณจุดสัมผัสนั่นเองแต่ไม่ต้องไปดูตามลมไปจนถึงท้องถึงปอดถึงอะไรไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้มาระลึกรู้อยู่บริเวณจุดที่สัมผัสสําหรับบางคนถ้ายังไม่สามารถจะรับรู้ถึงสัมผัสนี้ก็อาจจะลองหายใจแรงๆสัก2อถึงสครั้ง เมื่อหายใจแรงๆสัก 2- อถึงสครั้งแล้วรับรู้ถึงสัมผัสได้ตรงไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นสัมผัสนี้อาจจะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในช่งวงที่เราหายใจเข้าจนกระทั่งมันสุดแล้วเนี่ยกําลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจออกมันยังไม่ออกทีเดียวเนี่ยตอนนั้นมันจะมีการหยุดของลมหายใจนิดหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันเราหายใจออกจนสุดแล้วแต่กำลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าแต่มันยังไม่ทันเข้า มันกำลังจะเข้าอยู่นั่นน่ะตอนนั้นมันจะมีการหยุดหายใจนิดหนึ่งซึ่งในช่วงนั้นก็จะไม่มีสัมผัสใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าจิตของเราก็ให้อยู่ที่เดิมให้อยู่ที่เดิมคอยตรวจ ด, ดูให้ตั้งเอาไว้จิตที่มาอยู่ตรงนี้ที่บริเวณตำแหน่งเฉพาหน้าในภายในพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริมุขขังเนี่ยจะเกิดสติขึ้นทันทีสตินี้แปลว่าการระลึกได้คือจิตนั้นจะมีการระลึกได้จิตที่มีการระลึกได้ว่าโอ้ ฉันจะต้องมาอยู่ตรงนี้ในมีที่นี่เป็นที่เกาะคำว่าเกาะนี่ก็คือสตินั่นเองและสติเราจะแปลว่าเป็นที่จับที่เกาะก็ได้ซึ่งการเกาะกับการยึดนี่ก็จะแตกต่างกันอยู่เพราะว่าการยึดนั้นเป็นอำนาจของตัณหามันจะเหนียวแต่ว่าการเกาะนี่คือจับไว้เฉยๆนะมันเป็นลักษณะของสติเวลาที่เรามาดูลมหายใจอยู่อย่างนี้เราฝึกทาได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องบังคับจิตให้มัน เป็นไปในทางนี้หรือทางนั้นแต่มีการควบคุมโดยใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือเหมือนอย่างที่นายช่างกลึงที่เขาทํางานนี่แหละถ้าเขาพยายามกลึงจะบังคับเครื่องมือเกินไปแต่บางทีเครื่องมันก็หยุดเดินเกินกําลังของมันหรือว่าขึ้นรูปงานชิ้นงานไม่ได้ก็ต้องทําให้อย่างเป็นไปตามธรรมชาติไปตามจังหวะ ก, การกลึงเรามารู้ดูลมหายใจของเรานี้ก็ทําให้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับจิตสามารถทําได้อยู่ตลอดทั้งวัน เราทําไปอย่างนี้จะสามารถที่จะฝึกกําลังสติของเราให้มีมากขึ้นได้นี่ยเองเชอร์บอลสาธุค่ะก็เท่ากับว่าตําแหน่งที่สัมผัสลมเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องพูดเป็นตําแหน่งหรือเป็นบริเวณมากกว่าคําว่าเป็นจุดถูกไหมคะอันนี้ก็อยู่ที่ความละเอียดของจิตของผู้นั้นนะค ะ, ะก็ขอให้รู้ว่าเป็นตําแหน่งที่ลมสัมผัสบริเวณที่ลมสัมผัสาากา็แล้วกันบางคนนี่นะคุณเยาาลติออะไมาจะจะให้คยแ ง, ง่มุมตรงนี้นิดหนึ่ง คือบางคนเนี่ยเขาจะไปกะเกณฑ์แบบเฉพาะเจาะจงเลยไปนั้นนะว่าต้องเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปวงกลมพื้นที่ตรงนี้อย่างเงี้ยบอกที่บอกว่าเป็นบริเวณเนี้ยนะค่ะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นรูปแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นรูปโนด้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะะซึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปเจาะจงขนาดนั้นอันนั้นเท่ากับเราปรุงแต่งถูกไหมใช่ปรุงแต่งไปแล้วเราก็ให้เป็นแก้กะเกณฑ์เป็นประมาณที่เฉเป็นประมาณค่ะออืม พอดีเลยค่ะที่ฉันมีคําถามจากเพื่อนที่สนิทกันและเป็นผู้ปฏิบตัติแล้วก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องที่ท่านได้สอนปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้คือเกี่ยวกับการฝึกสติเจริญสติเพื่อจะไปสู่ความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะคะได้บา น, นก็บอกว่าสงสัยคือเข้าใจขออนุญาตที่จะอ่านตามที่เขาส่งมาเลยนะคะได้จะเป็นช่วงๆเข้าใจ เองว่าฌานไม่ต้องจับลมหายใจใช้จิตท่านฟังต่อเลยนะคะคือคิดเอาเองคือช่วงแรกก่อนมาเป็นฌานฌานมีหลายประเภทพอนั่งดูลมแล้วผ่านเข้าช่วงฌานจะไปอยู่ที่จิตมากกว่าฟังพระสูตรช่วงที่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องปฐมฌานมีวิตกวิจาร์ ช่วงนั้นเป็นการพิจารณาแต่น้อยเพราะช่วงฌานนั้นจะไปพิจารณาเป็นสำคัญทำสองอย่างในเวลาเดียวกันอาจยากออยากนะตอนช่วงฌานรู้ลมพอนั่งไปเห็นแสงก็พิจารณาแล้วปล่มทิ้งแต่ในใจก็สงสัยว่าแสงมาจากไหนวิตกด้วย ว่าตามไปจะเป็นอะไรไหมช่วงนั้นจบลงด้วยปลงว่าแสงมีแล้วดับไปอย่าไปสนใจมีได้ก็ดับได้อะไรทำนองนี้เมื่อจิตไม่วิตกวิจาร์ก็นิ่งจะเข้าสู่ฌานที่สองคือมีปีติที่คิดได้เช่นนั้นอะไรทำนองนี้แต่ก็รู้ว่าปีติไม่เที่ยงแท้มีเกิดมีดับคลิปได้จิตนิ่ง เข้าฌานที่สามคือสุขตรงนี้คลายปีติจะอิ่มสุขแต่ในพระสูตรกล่าวถึงอุเบกขา hmm. คนถามเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอุเบกขาเป็นแบบติดสุข hmm. ซึ่งไม่เที่ยงอีกพอคิดได้จิตนิ่งเข้าฌานที่สี่เข้าใจว่าเป็นทำนองนี้ hmm. แล้วเมื่อภาพต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ต้องเพ่งที่ภาพทำจิตนิ่ง พิจารณาแล้วปลงไตรลักษณ์ค่ะอันเนี้ยดิฉันถามประเด็นที่หนึ่งก่อนนะคะว่าในช่วงของฌานไม่ต้องจับลมหายใจใช้จิตอย่างเดียวจริงหรือไม่คะอ่อถ้าดูที่พุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสนะค่ะอบอกว่าถ้าเธอปรารถนาว่าพึงสงัดจากกามพึงสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนิยาถ้าเธอปรารถนาอย่างนี้พึงทำไว้ในใจซึ่งอาณาปานาสติสมาธินั่นแหละให้เป็นอย่างดี น, นี่เป็นบุทรบุนะค่ะแล้วก็ไล่ไปนี่ฌานหนึ่งใช่ไหม ช, ชานสองฌานสามฌานสีก็ทำในใจซึ่งอาณาปานาสติสมาธิเนี่ยให้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นในฌานเนี่ยมีสมาธอิอมีลมหายใจแน่นอนค่ะมีลมหายใจแน่นอนลมหายใจเนี่อาจจะหยาบละเอียดอันนี้เราจะไปดูในรายละเอียดกั น, น, นค่ะคือมีถูกไหมคะ ม, มีแต่ไม่ต้องจับลมหายใจงั้นเหรอคะมีแต่ก็ต้องจับถูกไหมคะอมันก็ต้องมีที่ตั้งอันหนึ่ง น, นะคือคําถามบอกว่าฌานไม่ต้องจับลมหายใจก็ระมาไม่เข้าใจคําว่าจับนี่เขาหมายถึงยังไงเพราะ<ด>นั้นเราเราจะกําหนดบทเพียรชนะเนี่ยคุณโยมติ๋วเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทก่อน ตัวแม่บทก่อนว่าที่เขาถามเนี่ยเขาเขาสงสัยตรงแม่บทเนี่ยตรงไหนแล้วเรามาวิเคราะห์จากตัวแม่บทเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเอาคําของเขามาวิเคราะห์ต่อมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆเหนื่อไหมมันมันจะอธิบายไปอีกก็สงสัยที่อธิบายไปอธิบายไปก็สงสัยที่อธิบายอีกมันก็จะไม่จบเราจึงต้องกลับไปที่ตัวแม่บทก่อนว่าที่เขาถามตรงเนี้ยอันนี้อะไมาเข้าใจอยู่มันจะมีแม่บทที่พระพุทธชาติอธิบายเรื่องการที่ไล่จากชาติหนึ่งไปถึงชาตนสแต่ละชาเนี่ยมีองค์ประกอบมีอุปมาอุปไมยยังไง อันนี้จะอธิบายเขาเข้าใจก่อนค่ ะ, อ, ะอันนี้เอาตามความเข้าใจของดิฉันบ้านนะคะโอเคโอเคส่วนดิฉันเองเนี่ยมีความเข้าใจว่าเมื่อเราเจริญอาณาปานสติชานที่หนึ่งอ่าดิฉันก็เข้าใจว่าขณะนั้นเนี่ยพุทธพจน์ได้ตรัสเพื่อให้เรารู้ว่าชานเนี้ยมันมีความคิดคือมีวิตกวิจารใช่คือมีสะท้อนว่าให้รู้นะว่าอาการของเขาเนี่ย คือมีฌานมีมีการวิตกวิจารก็แปลว่าไม่ได้หมายความว่าให้เราตน้อมใจน้อมจิตไปคิดถูกคระคะความคิดนี่มันเกิดขึ้นเองมีมีอยู่ใช่มันยังมันยังมีอยู่มันยังมีแต่ว่ามันมีอยู่มันไม่ใช่ว่าเราน้อมจิตไปคิดฌานที่หนึ่งยังไม่เป็นปัญหานะคะแต่ทีนี้พอมาถึงฌานที่สองนะค ะ, ะที่บอกว่าสมมุติว่าเห็น อันนี้คืออาการของปรุงแต่งนะคะหรืออะไรคะคสมมติว่าเห็นแสงอะคะ่ะที่บอกว่ า, านั่งแล้วไปเห็นแสงเนี่ยแสงนี่คืออะไรคะคือเราอย่าพึ่งไปเร็วเกินไปเพราะว่าในชาติที่หนึ่งเองเนี่ยค่ะมันก็ยังมีปีติสุขด้วยค่แล้วก็ยังมีในกายด้วยว่า ม, ม, มันหลายอย่างอล้วมาจึงขอจะไล่ไปทีละขั้นตอนก่อนอะอ น, นะ ง, งั้นออนี่หมดท่านได้แสดงตามลำดับไป เ, เลยนะคะที่ฉันจะฟังอย่างเดียวคะ่ะปกติจิตของเรามันเป็นเหมือนลิงอย่างที่มาคูดอยู่เป็นประจำอันนี้ก็มีพุทธพจน์ซัพพอร์ตอยู่ละ นะเป็นเหมือนลิงที่จะไปคิดนั้นนี่โน่นแล้วก็ไอความคิดเนี่ยมันเป็นตามภาษาที่มันกระทบมีภาษามากปุ๊บมันก็นกไปคิดมีควา ม, มรําแรงสร้างต่อไปคนธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้แตนี้ว่าถ้าความคิดต่างๆ่างเราเนี้ยเราต้องแยกมันออกก่อนแตนะ่ไม่ใช่ว่ามีความคิดทั้งหมดจะเป็นความคิดที่ไม่ดีทั้งหมดมันไม่ใช่ก็แยกส่วนที่ไม่ดีออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงพูดไว้คําแรกเลยนะว่าเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกคูสละต่ำทั้งหลายเราเล่าไปติระบบปิยัญชนะเลยนะ เพราะสงัดจากการมและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเอาตรงนี้ก่อน <K un> คือความคิดที่ไม่ดีแยกออกไปก่อนแยกไปก่อนเหลือ <K un> แต่ความคิดที่ดีๆไอ้ความคิดส่วนที่ดีๆนี่แหละเขาเรียกว่าวิตกและวิจารณเพราะสงัดจากการมและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารเอาอีอยนึ่งมีวิตกวิจารณเพราะวิตกวิจารเนี่ยคือความคิดส่วนที่แยกเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะออกไปแล้วโอเคนะเพราะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเรามีความคิดเนี่ย อย่าไปแบบโอ้ยฉันทําไมฟุ้งซ่านคุณไม่เข้าใจอเอาแค่บรรทัดเดียวสั้นๆไม่ถึงประโยคเนี่ยไม่ถึงประโยคเลยเนี่ยแค่ตรงนี้เราวิเคราะห์กันว่าอ๋อไม่ใช่ว่าความคิดทั้งหมดมันจะไม่ดีนะความคิดส่วนที่ดีเป็นส่วนของชาญก็มีค่ ะ, ะเช่นว่าเวลาที่เราทําข้อสอบเวลาที่เราคิดงานไอ้พวกนี้จะทําอะไระแผนงานในอนาคตจะดำเนินอย่างไรไอ้พวกนี้เป็นวิถีวิจารณ์หมดเลยแล้วถ้าความคิดเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการ ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาคุศลและดำทั้งหลายไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครเป็นความคิดที่เฟื้อเกลูกูลอันเนี้ยคือเป็นองค์ประกอบของฌานที่1แล้วนะมีวิโตรวิจารล่ะค่ะโอเคแล้วก็ต้องมีปีติด้วยมีสุขด้วยและมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกปีติสุขนี้ต้องเกิดจากความวิเวกนะความวิเวกในที่นี้คือความวิเวกทางจิตความวิเวกทางจิตวิเวกจิตคืออะไรก็ซ้ําเดิมตอนแรก ว่าสงัดจากกา ร, รมและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายคือความคิดในทางกา ร, รมพยาบาทเบียดเบียนไม่มีความคิดในทางกรรมพยาบาทเบียดเบียนไม่มีนั่นคือจิตตวิเบกเพราะคุณมีจิตวิเบกแล้วเนี่ยมีปีติและมีสุขทําไมถึงต้องพูดตรงนี้ว่ามีปีติเพราะว่าแค่เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีปีติต่อให้มันเป็นคิ ด, คดเรื่องที่ดีๆจริงๆก็ตามเถอะอย่างเช่นคิดถึงพ่อแม่โอเคพ่อแม่เราต้องเลี้ยงดูเออนี่ก็เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องอกุศลธรรม แต่เอ๊ะทำไมบางทีก็ไม่มีปิติบางทีก็มีปิติแตนะปิตินี่คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจปิติมันจะเกิดตอนไหนคุณหยมติว๋ว <Okay. S 1> ปิติเนี่ยมันจะเกิดจากการที่พอเราไม่ได้คิดเรื่องที่ไม่ดีในพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบวิจิตของเราเนี่ยมันจะวิ่งวุ่นไปใช่ไหมเหมือนลิงเนี่ยถ้าถ้ามันวิ่งไปในทางที่ไม่ดีมากกว่าจิตมันก็จะน้อมไปทางนั้นแต่ถ้ามันวิ่งมาทางที่ดีมากกว่าจิตมือจะน้อมมาทางนี้ใช่ไหมแต่นี้พอมันวิ่งมาทางที่ดีมากกว่ามาก กุศลธรรมมากขึ้นถึงระดับหนึ่งอากุศลธรรมลดลงไปนหนึ่งระดับหนึ่งหมายดีนะกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งอากุศลธรรมลดลงไปถึงระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะการที่เราน้อมจิตมาในความคิดที่มันดีเราคิดเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยน้อยลงน้อยลงไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธินะแต่ทั้งวันเลยนะถ้าจิตมันไม่น้อยไปทางนั้นความคิดที่มันจะเป็นทางอกุศลลดลงความคิดที่เป็นทางกุศลเพิ่มขึ้นเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั่นคือปีติ <c oughs> จะมีความมีแบบใจความสบายใจนั่นคือปีติแบบสุขอยู่ในใจใครจะมาว่าอะไรงี้ยฉันก็แฮปปี้อยู่ในใจฝนสลดแดดจะออกคือแบบสับภาษาอังกฤษเขามีแฮปปี้ for no r e a s o คือแบบมีความสุขอย่างไม่มีเหตุผลนะ่ะ <c oughs> แต่เหตุผลของมันคือการที่ไม่มีคืออกุศณสมรร ถ, ถลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นต่างหาตรงนี้นะคือปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกโอเคไหมโอเคแล้วยังไม่จบแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ ตั้งอยู่ในทำมันได้คือถ้าสมมติคุณทําได้แค่แป๊บเดียวอะ่ะแม่มกัแบแป๊บเดียวแต่ว่าต้องตั้งอยู่ในทำมนได้คือต้องอยู่เป็นเครื่องอยู่เลยเป็นแบบอยู่ได้เลยเป็นแบบบ้านอะ่ะค่ะเออคือไม่ใช่ว่าแบบแปบๆบแบบแบบโผล่มาเหมือนแสงฟ้าแลบอันนั้นยังยังไม่ใช่เครื่องอยู่ค่ะโอเคนะแล้วพระพุทธเจ้ายังบอกอีกนะว่าปีติและสุขเนี่ยทั่วทั้งตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มี เหมือนกับดอกบัวที่มันยังไม่โผล่พ้นน้ำเนี่ยทั้งรากมันต้นมันใบมันดอกมันก็จมถูกน้ำเย็นไปหมดอันนี้คือปีเติดละสุขต้องทั่ตัวทั้งตัวน ะ, ะแล้วก็ตั้งอยู่ในทรมันได้ด้วยนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าชาญหนึ่งโอเคปะอ่า okay, ค่ะเ <laughs> ดีด๋ยวฉันฟังแล้วเดียฉันก็เข้าใจมากขึ้นจากที่เคยมีความรู้มานะคะว่าต้องอ่านอย่างละเอียดศึกษาอย่างละเอียด แล้วก็ต้องให้ถูกต้องตรงตามที่พุทธพจน์ตรัสไว้จึงจะสามารถสรุปได้ว่าถึงปฐมฌานแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสภาวะนะเป็นสภาวาคะคือเป็นพบแบบบุ้ยง่ายๆเลยสมาธินี่เป็นพบแน่นอนแล้วก็คือมันเป็นที่อยู่ได้เป็นพบได้เป็นสภาวะได้ไหนก็คือคำว่าแล้ว赖อยู่คือตั้งอยู่ในมันได้ท่านคะที่บอกว่าความปิติและสุข S <S และตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นะนะคะอันเกิดจากความวิเวกเนี่ยแล้วเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ท่านเลยบอกว่าไม่ได้แว๊บๆนะจะต้องสามารถทรงอยู่อาศัยเป็นเครื่องอยู่ได้ก็คือว่าจะต้องมีระยะเวลาพอสมควรถูกไหมคะใช่คือถ้าเอาอีาสมมุติคุณโยมถี่หิวข้าวแล้วเขาเอาข้าวมาให้ทั้งจานมีข้าวเม็ดเดียวอ ม, มันกวนทําไมเอาข้าวมาให้ฉันกินเม็ดเดียวฉันจะหิวข้าวนี่กว่อ่ะคุณควรเอาข้าวมาเป็นกอบเป็นกามนิดนึงอะ เอามาเป็นหม้อหรือเป็นถ้วยอะไรก็ว่าไปสิเอามาเม็ดเดียวไม่ใช่ก็เหมือนกันน่ะถ้าคุณบอกมีปีติมีสุขมีวิตรวิชานโอเคแล้วไงต้องตั้งอยู่ในธรรมันได้มันต้องแบบเป็นเนื้อเป็นหนังนิดนึงอ่ะค่ะดังนั้นคือถ้า ด, ดิฉันอยากจะตัดตอนในช่วงที่มีจิตอยู่ด้วยหรือเปล่ากับลมหายใจ น, นะคะมีลมหายใจอยู่ด้วยหรือเปล่า<อ>ในเวลาเข้าฌานเนี่ยอ่ก็จึงต้องถ้าตอบแบบฟันธงต้องบอกว่า มีแน่นอนเพราะ อ, อะไร่คะเพราะว่าฌานคือการเพ่งนะฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งเป็นกิริยาเป็นกิริยาแปลปว่าเพง่งเขามาทําเป็ น, นคํานามเขาก็เรียกว่าการเพ่งหมายถึงใจเนี่ยต้องเอามาจดจ่อไว้จดจ่อไว้และจดจ่อไว้ไอ้กิริยา ต, ตรงนี้คือเขาเรียกฌ า, านพอเราได้แล้วเนี่ยเป็นกรอบเป็นการเป็นเนื้อเป็นหนังแล้ว <ๆ S 2> ก็จะมีคาอีกคำหนึ่งเรียกว่าสมาบัติสมาบัติคือเข้าอย่างไม่หวั่นไหวอันนี้เป็น พของฉันอันนี้เป็นภูมิของฉันค่ะท่านข้าขอประทานโทษนะคะเ อ, อะขอตัดตอนตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่ท่านบอกว่าชาเนี่ยคือการเพ่งนะคือการจดจอ่อใช่จดจ่ออยู่กับลมหายใจถูกไหมคะถูกถูกถูกู ก, กใช่นะคะจดจ่ออยู่กับลมหายใจแต่ทีนี้เดี๋ยวท่นเข้าใจเหรอเพราะว่าในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ยังไงลมหายใจเนี่ยถึงต้องถามซ้ําเพราะถ้าตอบว่ามีเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีถูกไหมคะเพราะว่า เราปฏิบัติขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ลมหายใจจึงมีแน่มีแน่แต่ที่ท่านตอบอันนี้ทําให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าไม่ได้สักแต่ว่ามีนะแต่มีแล้วเราจะต้องรู้เพราะเราต้องจดจ่ออยู่ถูกไหมคะถูกต้องทีนี้พอจิตเนี่ยมาจดจ่อเป็นฌานการเพ่งนะกับลมหายใจใช่ไหมจิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหลพุ้าสติเกิดขึ้นทันทีนะสติที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรักษาจิตแบบไหนถ้าจิตมีการปรุงแต่งไปในทางใจเป็นมโนสังการนะ มันก็จะไม่ได้ไปเรื่องที่เป็นอกุศลระดัมันก็จะเป็นวิถกวิชาคุณก็จะคิดอะไรก็ได้แต่ว่ามันปรุงแต่งไปก็จะไม่ได้เป็นไปในทางอากุศลถ้าจิตที่มีสติคุมอยู่นะไปปรุงแต่งเป็นทางวาจาเป็นวจีสังขารใช่ปะ่ะ <c oughs> คุณก็พูดสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาไม่ได้พูดอะไรที่มันจะโกหกเป็นพูดเล่นไปไม่มีเอ่อถ้าจิตมันจะไปปรุงแต่งเนี่ยคือจิตที่มีสติคุมอยู่นะสติที่คุมอยู่เนี่ยจะทําให้การปรุงแต่งทางกายเป็นกายสังขารของเขาเนี่ย ก็จะอยู่ในสมากรรมมันต์ตสัมมาอาชีวะไปเพราะว่าจิตนี้มีองค์ประกอบของสัมมาสติโยค่ะท่านคะถ้าอย่างนั้นในเวลาที่เราฝึกปฏิบัติก็จะมีการพูดกันเป็นประจำว่าในขณะที่เราเพ่งไปที่ลมหายใจเนี่ยเจริญอานาปานาสติเนี่ยความคิดเป็นธรรมชาติที่จิตเราเหมือนลิงนนนนจะมีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้น แ, นนนแต่ความคิดที่ว่านี้นยังไม่ใช่เป็นวิตกวิจารณ์ เพเป็นความคิดอะไรก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่มันมีกามอยู่ในนั้นนะคะพยาบาลเบียดเบียนบางทีอาจจะไม่มีแต่ว่ า, าการคิดไปบางทีเรื่องทํางานเรื่องครอบครัวดิฉันว่าเป็นความคิดที่เป็นการ์มเท่ากับว่ายังไม่ยังไม่ถึงวิโตวิจารถูกไหมคะตอนนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเราคิดเรื่องอดีตเมื่อวานฉันกินอะไรมาใช่ปะ่ะแล้วก็ ก, กินทอดมันมากินทอดมันมา แต่ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นนะนะคุณโยมติ๋วนะนะเราเห็นความไม่เที่ยงว่าโอ้ทอดมันนี้มันเน่ามันออกมาก็พรุ่งนี้ออกมาก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งมีกลิ่นด้วยอย่างเงี้ยการเห็นแบบนี้คือเห็นความไม่เที่ยงอันนี้ไม่ชื่อว่าเห็นกามนะชื่อว่ามีสตินะก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานคือเห็นตามในธรรมไงคือเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นความคิดแบบเนี้ความคิดแบบนี้เป็นผลของการปรุงแต่งทางใจจากใจแบบไหนใจที่มีสติกุมอยู่ เอาใจสติมาตอนไหนอ่ะก็จากการที่คุณมาเพ่งอยู่กับลมหายใจนี่แหละมันจึงมีสติกุมอยู่อ่ะค่ะเข้าใจค่ะแต่เช่นเราจะบอกว่าเพื่อไม่ให้เราเข้าใจผิดเพราะว่าความคิดเราจะมีตลอดแต่ความคิดเนี่ยไม่ได้มีอความคิดในลักษณะที่เป็นฌานแล้วที่ฌานเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ความคิดอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ต้องคิดให้มาถึงอ่าเรื่องของธรรมไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงอันนี้จารย์ทุกขังน่าตายอย่างนั้นเปล่าคะ อคือเวลาการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่คิดไงคือคือมันอยู่ในจิตคือจิตนี่มันลึกไปกว่าความคิดจริงนะคุณยมติวนะความคิดที่เรามาคิดอยู่ในสมองเป็นคําพูดอย่างเงี้ยนี่เป็นความคิดระดับหนึ่งความคิดที่ลึกลงไปกว่า น, นั้นนั่นก็คือเป็นความคิดที่ไม่มีคําพูดละเป็นรูปภาพคือบางทีเราก็คิดเป็นรูปภาพเมื่อทีเราคิดเป็นคําพูดใช่ไหมบางทีเราก็คิดแบบไม่ใช่คําพูดบางคนแบบ ถามมาอย่างนี้ตอบพูดโดยไม่ต้องคิดเป็นคาพูดไม่ต้องคิดเป็นรูปภาพโดยแต่ตอบพูดได้เลยอันนี้ ค, คือมนันลักษณะของการปรุงแต่งทางจิตที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นจิตที่มีสติสตมันลึกลงไปกว่านั้นอีกค่ะดังนั้นการเห็นความไม่เที่ยงจึงเป็นความเห็น ท, ที่เป็นผลจากการปฏิบัติโดยอัตโนมัติไม่ต้องน้อมจิตไปคิดให้ไม่เทีย่ยงถูกต้องคุณยมติวใช้คำนี้คือถูกต้องคือความเห็นความเห็นคือทิฏฐิแต่ทิฏฐิเนี่ยมันลึกลงไปกว่ามโนสังขาร คือสังกปะความดํารีเนี่ยนะความนุรีความวา ม, มโนสังกปะความคิดเนี่ยมันเป็นมโนสังขารเป็นสังกปะละแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นคือทิฏฐิความเห็นค่ะ อ, อ, อดังนั้นในปฐมฌมานในฌานทุกฌานถึงจะตุถะฌานต้องมีลมหายใจแต่อันนี้จะคําถาม น, นะคะาาช่วงฌานเนี่ยเ ข, เข้าใจว่ามีลม นะคะมีลมอาจจะเพ่งลมอยู่ก็ได้แต่เพ่งน้อยกว่าจะไปอยู่ที่จิตมากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือมันเป็นคนและมิติกันนะ่ะคือมันพูดถึงความลึกตื้นไม่เท่ากันคือถ้าพูดถึงความลึกเลยเนี่ยเรารู้เรามหมายใจอยู่ตลอดเวลาแน่นอนอาจจ ะ, ะรู้ได้ชัดเจนเต็มที่หรืออาจจะรู้จางๆแต่มันมีอยู่ตลอดเพราะว่าสติมันมีอยู่ไงสติมันมีอยู่เวลาไปคิดอะไรที่เป็นวิโตวิจารณ์แน่นอนมันก็ไม่ได้เป็นไปทางอากุศลธรรม ะจะรู้ลมอน่อนอยู่เท่าอาจารย์คะทีนี้อย่างตอนที่บอกว่าสมมติไปเห็นแสงช่วงตอนที่ถามถึงเรื่องเห็นแสงนะคะ uh huh, uh huh. ว่าใจก็สงสยัยว่าแสงมาจากไหนแล้วก็วิตกด้วยว่าตามไปจะเป็นอะไรไหมช่วงนั้นจบลงด้วยปลงว่าแสงมีแล้วดับไปอันนี้ไม่ได้เกิดโดยอัตโนมัตินะคะเราปลงว่าแสงมีแล้วดับ อย่าไปสนใจมีได้ก็ดับได้อันนี้ถือว่าเป็นฌานแล้วหรือยังคะคือฌานเนี่ยก็จะต้องมีปีติและสุขด้วยนะค่ะทั่วทั้งตัวนะค่ะแล้วต้องตั้งอยู่ในธรรมันได้นะค่ะไม่ใช่แค่มิตรอกวิจารณก็จะไหมเข้าใจค่ะออคือเขาอาจจะมีอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวดิฉันจะได้ไปอธิบายให้ละเอียดไปเอ่ะนะคะแต่ว่าการที่เราเราน้อมจิตไปปลงว่าแสงมีแล้วดับไปอย่าไปสนใจมีได้ก็ดับได้อะไรทํานองนี้ ถือว่าถูกต้องแล้วไหมคะในการปฏิบัติค่ะถูกถูกถูกเรามีทิฏฐิความเห็นที่เห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องค่ะดังนั้น<ๆ>เมื่อพูดมาถึงอ่าที่ดิฉันได้อ่านให้ฟังถึงฌานที่สี่เลยมาจนถึงอุเบกขานะคะว่าพอคิดได้ว่าอุเบกขาก็ไม่เที่ยงอีกอืมก็เข้าฌานที่สี่อันนี้ถูกต้องแล้วอุเบกขาไม่เที่ยงเข้าฌานที่สี่ คือถ้าเราจะเห็นว่าอุเบกขาไม่เที่ยงเนี่ยเราก็จะไปต่อได้เลยนะไปไปเกินอุเบกขาค่ะคือคืออุเบกขาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนคือส่วนที่อยู่ในชานที่สที่ว่าอุเบกขาที่ยังมีสุขเจือปอนอยู่ด้วยค่ะทีนี้สุขที่เกิดจากอุเบกขาไม่เอาปาดทิ้งเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆ น, นะคืออุเบกขานี่คือการวางเฉยโดยที่ไม่ได้มีสุขอยู่ข้างในเนี่ยเอาปาแต่เฉพาะอุเบกขาอยู่ตรงเนี้ยนั่นคือชานที่4ี่ โอเป็นง์ประกอบของจานที่สี่แล้วถ้าบอกว่าเราสามารถเห็นอุเบกขาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้อันนี้คุณก็เห็นแล้วยังไงคือถ้าน้อมจิตไปเพื่อ น, นิพานก็จะเป็นสำหรับวิปัสสนาญาณได้เป็นนิพานได้แต่ถ้าเราะจะไปสมาธิต่อก็จะขึ้นอึ้นรูปไปค่ะ เ, เียนขออนุ ญ, ญาตไปต่ออีกนิดเนึ้อนะคะพอดีคําถามมาต่อคะ่ะอืบอกว่าทั้งหมดที่ได้อ่านให้ฟังในตอนต้นเนี่ยก็บอกว่าจําได้ว่าเวลานั่งแล้วเป็นอย่างนั้นนะคะ และเมื่อภาพต่างๆขึ้นมาต้องไม่เพ่งที่ภาพทำจิตนิ่งๆพิจารณาแล้วปล่งไตรลักษณ์แต่ภาพพวกนี้ไม่แน่แท้ถ้าขึ้นบ่อยแล้วจิตเราไปได้ก็จะลงดูอดีตการดูภาพอดีตช่วงระหว่างกลางของจตุทชาญจะเข้าบุพเพนิวาสา นุสติยานเข้าใจอย่างนั้นนะคะดูเพื่อขออโหสิกรรมการลงดูตรงนี้น่าจะยอมรับได้กว่าการเห็นภาพลอยมาขณะนั่งซึ่งอาจเป็นการปรุงแต่งแต่ข้อทดสอบว่าปรุงแต่งหรือไม่อยู่ที่ผู้สอบอารมณ์จะเห็นว่าตรงกันไหมบางท่านก็บอกไม่ใช่ไม่มีแล้วก็มีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิล่าสุดนี้ ได้เห็นภาพว่ามีคนเป็นจานวนมากนั่งที่เก้าอี้เรียงแถวเป็นแนวโค้งหลายระดับเป็นครั้งที่สองแล้วที่เห็นแบบนี้เหมือนอยู่ในการประชุมคือคงจะถามว่าอันนี้เป็นภาพที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไรอื ม, อมคือถ้าถ้าคนได้สมาธิแล้วในจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วน้อมจิตไปเพื่อที่จะรู้ถึงการเกิดขึ้น ในอดีตอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุเพนิวาสานุสติยานก็คือน้อมจิตไปได้อยู่ในการน้อมจิตไปเนี่ยคื อ, ค, อคือคนที่เขาจิตเป็นสมาธิแล้วถึงจตฌานที่สี่เนี่ยน ะ, ะเขาจะไม่ได้เที่ยวแบบน้อมไปดูอยู่เรื่อยนะคือจิตเขาจะสบายๆอยู่ไม่ได้จะไปรู้เรื่องคนอื่นอะไรถ้ามันมีความจําเป็นอาจจะไปรู้ก็ก็จะน้อมไปได้ในในเรื่องนี้คงจะต้องทําสมาธิให้มันได้มั่นคงก่อนเพราะว่า ถ้าอยู่ๆเพืบคุณพรวดพราดพุ่งไปชานสีเลยเนี่ยอันนี้มันไม่น่าใช่ละต้องทําชานหนึ่งให้ชํานาญเสีก่นอนครับพระเจ้าว่าแตเบียบเกินกับแม่วัวปีนภูเขาแต่บอกว่าเท้าหลังเนี่ยยังก้าวยังเหยียบไม่ดีเนี่ยแล้วคุณก้าวเท้าหน้าไปก่อนเนี่ยเท้าหน้ามันก็เหยียบหินไม่ดีอะ่ะวัวภูเขาปีนภูเขาเนี่ยเพื่อที่จะไปกินน้ํกนากินหญ้าข้างภูเขาลูกถัดไปเนี่ยเอา้าเท้าหน้าเหยียบไม่ดี จะยกถอยกลับหลังก็ไม่ได้เพราะเท้าหลังเหยี็นไม่ดีก็คว่าลงตรงนั้นอันนี้จะเป็นอันตรายเหมือนกันนะท่านอาจารย์คะแต่ทีนี้อได้ยินว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอินทรีไม่เท่ากันอินทรีย์บา ร, รมีคือถ้าสรุปแบบภาษาของที่ฉันคือความสามาระไม่เท่ากันใช่ไม่เท่ากันอมีไหมคะคนที่สามารถจะเข้าถึงชาญสีได้อย่างรวดเร็วมีมีเป็นไปได้ถ้าฝึกมาชํานาญแล้วนะคะอะแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าชาญสีได้อย่าง อ่าจนถึงอ่ะคือเหมือว่าเข้าชาดสีได้แล้วเนี่ยอืมต่อไปก็คือต้องไปเข้าอารูปปยาณอารูปฌานถูกไหมใช่อารูปสัญญาสมาบัติอารูปสัญญาสมาบัติซึ่งจะเป็นในส่วนของยานต่างๆถูกไหมคะเป็นฌานเป็นฌานอยู่ยังเป็นฌานอยู่คือคือจะบอกว่าฌานไม่ใช่เป็นความที่จิตเป็นอรมณเดียวเพราะว่าฌานนี่คือฌานหนึ่งสสามสี่ใช่ไหมมันต้องมีการเพ่งมีวัตถุแห่งการเพ่งเขาจงึงเรียก ว, ว่ารูปฌาน แต่พอถึงขั้นอรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเพ่งแล้วนะสามที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะเป็นอากาสารนายยัญนใจยตนะอันนี้กลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เรามักจะเรียกว่าอารูปฌานเนี่ยค่ะนั่นก็คือกลุ่มนี้แต่ว่าศัพท์เทคนิคที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันมันจะไม่ได้เรียกฌานละมันจะเรียกขั้นอัรูปสัญญาไปอักรูปสัญญาซึ่งพวกนี้ก็ยังมีลมหายใจอยู่ก็ตามพุทธพจน์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าต้องการอารูปสั ญ, ญญาในขั้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ก็ให้ทำในใจซึ่งอานาบานะสติเป็นอย่างดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันขั้นอรูปมันไม่น่าจะต้องมีอะไรมาเพ่งแล้วลมหายใจไม่ น, น่าจะต้องดับไปแล้วอออ่อ ค, อคือมีอนนชีวิตหายใจอยู่แต่ว่าไม่ได้มาเป็นอุปกรณ์ในการเพ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอันนี้คือธรรมาก็ไม่ทราบนะเพราะว่าก็ยังทําไม่ได้อันนี้อ่าดิฉันเป็นการถามคําถามเพื่อตอบคําถามให้กับเฉพาะปัจเจกหนึ่งคนอาจจะมีผู้ใดที่มี คำถามในลักษณะนี้ก็จะได้ประโยชน์กันไปหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีคำถามในลักษณะนี้แต่ก็ได้ความรู้ประกอบกันไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชัดเจนรู้ชัดเจนว่าถ้าจะสรุปว่าเราได้ปฐมฌานเนี้ยพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรแล้วถ้าสงสัยก็ไปหาตำรับตำรามาประกอบนะคะจะได้รู้ว่าอตอนนี้ ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะเพราะบางทีฟังอย่างเดียวก็อาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดนะคะแล้วเองก็อยากจะพูดต่อนะคะท่านแต่ดูเหมือนก็ว่าวันนี้ใช้เวลามาหมดแล้วจริงๆร<ช>ิงจะขออนุญาตไปถามต่อในวันพรุ่งนี้ได้ไดนะคะวันนี้กรล่าวณสการขอบพระคุณพระมหาภัยบูลอภิปุณโญเป็นอย่าง ย, ยิ่งคะ่ะนณสการคะ่ะเ้ืนฝั่งที่ครบค่คะท่านภับูล น, นั้นก็เป็นประสงค์อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนทานีในตําแหน่งหน้าที่การทํางานของท่านที่วัดนั้นเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเรียน้น ของที่วัดซึ่งจัดการเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะก็จะมีผู้ที่วนเวียนกันไปศึกษาปฏิบัติการที่จะดำเนินรอยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็จะได้น้อมนำเอาคำสอนที่พระพุทโธได้ตรัสเอาไว้นะคะมาประกอบกับการสอนตั้งแต่ต้นจนจบค่ะสำหรับวันนี้เราก็ เชิญชวนท่านทั้งหลายมารับฟังรายการกันใหม่นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ร้ยรายการสันนิษฐานสำหรับวันนี้ดิฉันสันนีนาคพงนะคะลาท่านฟังที่เคารพทุกทุกท่านไปก่อนพุทวัสวัสดีค่ะ